วันนี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำเดือนหกตรงกับวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำดังนั้นพวกเราได้มาร่วมกันก่อนหน้านี้พวกเราพระสงฆ์ได้ลงอุโบสถ ได้ฟังพระปฏิโมกได้ฟังสวดด้วยบอกกล่าวเรื่องของศีลแต่ในเย็นนี้พวกเราก็ได้ร่วมกันทั้งคณะทายาโจมและพระสงฆ์ได้ร่วมกันไหวพระสวดมนต์เป็นประจำมาตลอดตั้งแต่ สร้างวัดมาปูดอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีอะไรที่จำเป็นพวกเราจะไม่ได้ลดงดเว้นถึงศรัทธาญาติโยมมาหรือไม่มาพระสงฆ์มีกี่องค์พวกเราก็จะได้พวกเราต้องลงโบสดเมื่อพระครบสี่รูปจากนั้นก็ได้ไหวพระสวดมนต์ได้ฟังพระธรรมเทศนาสมัยก่อนก็ ไปฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เอาหลวงตามาเปิดบังหลวงปูร่าบังองค์อื่นๆหลายๆองค์ที่เป็นองค์แสดงธรรมอันนี้พวกเราปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอแต่พอมาถึงช่วงนี้ในระยะนี้มีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ในวัดของเรามีพวกเราเลืกฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์่สิบกว่าองค์ถ้าเราอยากจะฟังองค์ไหนกลางวันเราก็จะได้ฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์จะเกิดเปิดเป็นระยะระยะแต่ตกกลางกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปก็จะมีการ ฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบัวท่านอบรมพระล้วนๆล้วนแล้วจะเป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็พร้อมกันพวกเราก็ได้เน้นหนักเรื่องการได้ยินได้ฟังเพราะเราได้แจกวิทยุเพื่อฟังเราไม่ได้แจกวิทยุเพื่อฟังร้องรำทำเพลงแต่เราแจกวิทยุเพื่อให้ศึกษา กับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ให้เข้าใจความหมายว่าเราฟังวิทยุนั้นเราไม่ได้ฟังร้องรำทำเพลงถ้าเราอยากจะฟังร้องรำทำเพลงเราออกไปอยู่นอกวัดอย่ามาอยู่ในวัดมาอยู่ในวัดเพื่อการศึกษา อาศัยทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยคือเพื่อได้ยินถ้าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาแล้วจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นะั้นมองไม่เห็นทางคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือคนไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์จับมาแล้วจะเฉลียวฉลาดกับคู่คนนั้น มองไม่เห็นหนทางแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังหลายหลายครั้งต่อหลายหนแล้วก็ได้สังเกตแล้วก็ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติได้เห็นพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนนามาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะได้ทั้งรู้ด้วยทั้งได้นำมาปฏิบัติด้วยทั้งได้ยินได้ฟังด้วยนี่แหละจะเกิดปัญญาต่อไปภายภาคหน้า เราไปอยู่นสถานที่แห่งใดอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนเราก็จะได้วางตัวถูกแล้วก็ไม่ใช่วางตัวถูกตามสังคมหรือชุมชนนั้นๆไม่ใช่เราวางตัวถูกในหลักพระธรรมวินยัยถ้าไปอยู่นสถานที่ใดท่านนำหลักพระธรรมวินยัยหรือท่านเคร่งในหลักพระธรรมวินยัย เราก็จะได้เรียนรู้หรือหย่อนไปสำนักไหนหย่อนต่อหลักพระธรรมวินยัยเราก็ใจะจะได้เรียนรู้เพราะเราได้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างทีถ่วนทุกประการนี่แหละผู้ได้รับการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังต้องรอบรู้รอบคอบรู้จักการวางตัว รู้จักสถานะของตนเองนี่แหละอันนี้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาจึงจะแยกแยะได้อย่างนั้นแต่ว่าโลกทั้งโลกของเราจะให้มีใครจะให้ทุกคนมีความเห็นแบบเดียวกันมีความเห็นอย่างเดียวกันโลกอนี้พระพุทธเจ้าท่าตัดไปแล้ว นาณาจิตตังนานาทัศนะ์จะให้เห็นแบบแถวแนวเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกยุค ท, ทุกสมัยความเห็นแปลแตกต่างกันบางคนมากกว่า น, นั้นเห็นดำกลับเป็นขาวเห็นขาวกลับเป็นดำก็มีมากมายคือเห็นกับตรปัดแต่บางท่านบางคนก็ไปเห็นถึงขนาดนั้นแต่ลักษณะสีเทา คือทั้งเตือน ก, กลางๆแบ่งรับแบ่งสู้แต่บางโทนก็เห็นชัดเจนขาวก็คือขาวดำก็คือดำชั่วคือชั่วดีก็คือดีอันนั้นคือพระอระหันต์พระรอรหันต์นี่เห็นดี <c oughs> เห็นชั่วชัดเจนในใจของ พ, พระองค์ท่านแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วยังเห็นอย่างที่ว่า ยังมีสิ่งที่ทำให้เห็นผิดมีอยู่ น, นิดๆหน่อยๆไม่พูดถึงปุตุชนปุตุชนคนธรรมดาของพวกเราเต็มหนาแน่นไปด้วยกิเลสอาจจะมองเห็นดำเป็นขาวขาวเป็นดำอย่างที่ว่าอันนั้นเป็นปกติของมนุษยชาติที่เกิดมาในโลกเพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจถ้าบางคนเขายกย่องชนะเสริญก็ถูกใจเขาเขาก็ยกย่องเป็นพรรคพวกเดียวกัน ทั้งที่รู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่กเขยงยกจ่องกันอันนั้นคือพวกเดียวกันเขาก็ต้องย่องพวกยกจ่องพวกเดียวกันถ้าว่าเห็นคนอื่นพักพักพวกอื่นดีขนาดไหนทําให้ใช่พักพวกของตนเองก็นั่นแหละขวางหูขวางตาประนามไปหมดอันนั้นคืออะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นมาแต่ดึกดําบันดึกดําบันมาแล้วอันนี้พวกเราให้ เรียนรู้อีกเหมือนกันอันนี้แหละวะันโลกกะระทาโลกกะระทำมันมีอยู่ในโลกอันนี้แต่โลกกะระทำคานี้เนี่ยถ้าเราเราพิจารณาให้อีกแบบหนึ่งก็ว่าไม่เห็นจะ่วันไหวที่ตรงไหนแต่ตามไม่จริงโลกกะระทำตัวนี้ทําให้โลกวันไหวไกวแกวงมาแล้วมากต่อมากถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าเราไม่ได้ศึกษา ทำบ้านแล้วไม่ได้ปฏิบัติศึกษาเฉยๆเนี่ยยังไม่เพียงพอเราต้องลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยทำจิตใจให้แน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักปล่อยรู้จักวางวางที่ไหนวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจถ้าทำได้ขนาดนั้นน่ะโลกกระทำเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเอานอกจากนั้นขึ้นมาแล้วอย่าไปท้าทายตวโลกกระทา โลกธรรมคำํานี้มันเกิดขึ้นมาแล้วทําให้วันไหวไกวแขวง่งมามากต่อมากเสียกู้เสียคนมากต่อมากโลกธรรมไม่ควรจะมองข้ามแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันอยู่ในโลกเดี๋ยแหละมันไม่ออกจากโลกโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบถ้ามีลาบมียศมีลาบขึ้นมาแล้วเป็นยังไง คนที่มั่มีสีสุกมีเงินมีคําทรัพย์สมบัติจิตใจเป็นยังไงพองลืมเออทุกไปพราะมีเงินมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ตนเองลืมลืมตัวมีลาบเมื่อเสื่อมลาบลงไปเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอเป็นทุกข์เป็นร้อนมามากต่อมาก อันนี้เมื่อเสื่อมยศเมื่อเสื่อมลาภเมื่อมียศขึ้นมาก็ดีอกดีใจพองตัวเมื่อเขาปลดยศหรือหมดยศก็เสีย อ, อกเสียใจอย่างมากเป็นบ้าเป็นบอเพราะการเสื่อมยศ ห, หมดยศนี้ก็มีมากนังอดีตและจะต่อไปในอนาคต ด, ด้วย สรรเสริญก็เช่นเดียวกันวันนี้มีคนสรรเสริญเยินยอดีอกดีใจแต่เมื่อคนทำหนิติชิ้นดินทาก็เสียอกเสียใจในเมื่อมีสุขสุขภาพร่างกายแล้วก็มีลาบมียศคนยกย่องสรรเสริญก็มีสุขก็ดีอกดีใจแต่เมื่ อ, อาบางทีมัน พลัดจากคนยกย่องสนนเถินเขาเนีนทาเสื่อมลาบเราก็ทุกเข้ามาแทนที่สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีด้วยการเป็นอยู่ก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนากับตนเองด้วยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงจิตใจก็เป็นทุกข์นี่แหละอันนี้คือทุกข์หลก มีลาบอมีสุกอ่ามีลาบสรรเสริญมียศสุกสี่อย่างนั้นเป็นที่พึงปรารถนาของมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกไม่เป็นที่พึงปรารถนาทุกคนทุกหมู่เหล่าแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อเราเกิดมาในโลกเนี่ย จะปราถนาทั้งสี่อย่างที่พึงปราถนาเท่านั้นไม่ต้องการสิ่งที่ไม่พึงปราถนาทั้งสี่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเจอคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่ถูกชนเสือกก็ไม่มีในโลกแปลว่าทั้งสี่อย่างนะไม่ถูกชเชลยไม่มีในโลก จะมีแต่เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกอย่างเดียวไม่มีในโลกมีแต่มีลาบมียศสันรเสนสุขก็ไม่มีในโลกอีกเหมือนกันมันต้องเจอกันทั้งสองด้านไม่มากก็ต้องน้อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าในเมื่อโลกธรรมแปดเข้ามาอย่ายินดีในสิ่งที่ปรารถนาอย่ายินร้าย ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนายินร้ายก็คือไม่พอใจอห่าอยามยาจะินดีหรือย่ายินร้ายใช่ไครับจะทำทำใจให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่าไปลืมตัวในสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ว่าทำใจให้เป็นกลางกลางเอาไว้ในเมื่อโลกธรรมส่วนไหนเข้ามาหาเราเราก็ต้องได้คิดไว้ว่าเออ ทิ่งสี่อย่างที่ไม่พึงปรารถนานั้นอีกสักวันหนึ่งมันคงจะหมดไปเอแต่สิ่งที่พึงปรารถนาที่มันเข้ามาหาเราเราก็ต้องคิดไว้อีกว่าสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งสีประการนั้นเราออีกสักวันหนึ่งอาจจะพัดพลากอาจจะจากเราไปก็ได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกโลกไปนี้เป็นโลกอนิจจงของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตา มันไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วมันพร้อมที่จะกลิ่งไปกลิ่งมาบทบางไปบทบางมามันเป็นได้ทางนั้นแต่ถ้าเราจะไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยาก เ, าเราจะยินดีในความสุขอย่างเดียวในโลกธรรมฝ่ายดีอย่างเดียว เ, เราไม่ยินดีในฝ่ายชั่วอย่างเดียว อย่างเนี้ยเราไม่ยอมรับในฝ่ายชั่วอย่างนีน้มันก็เป็นทุกข์ทั้งสองด้านพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่ายินดีอย่ายินร้ายคือไม่ให้ไม่ยินดีและไม่ให้พอพอใจไม่พอใจอย่าให้มีในใจของของเราต้องพยายามถึงจะพอใจไม่ไม่พอใจก็ตามต้องพยายามทั้งปล่อยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเคยถูกดินทารไหมมากต่อมากบางที ถ้าเป็นผุ้ดุชนคนธรรมดาไม่มีบุญหนักสับใหญ่ไม่มีบุญบารมีแล้วไม่มีบุญบารมีคุ้มครองไม่มีบารมีเก่าแก่คุ้มครองแล้วพระองค์อาจจะเอาชีวิตไม่รอดในชาตินี้มีหลายครั้งต่อหลายหนช้างนาราเกลิงปล่อยมาเป็นยังไงไม่ใช่ธรรมดานี่บารมีของพระองค์เอาช้างสยบได้ กันเรื่องคนหาเรื่องใส่มากมายแต่วันนี้หลวงพ่อเองจะยกให้ฟังที่เมืองอุทเชนีพระเจ้าอุทเทนปกครองนางสามาวดีกับนางมามาคันธยาที่อิจฉาพระพุทธเจ้าต้นเหตุเพราะอะไรถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าทำผิดไหม ก็ในความเห็นของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ว่าผิดของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีแต่ว่าถูกกับโลกสมมุติไหมเอออันนั้นคงจะมีเพราะท่านทมอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกโลกโลกสมมุติเขาโลกสมมุติเขาพูดอย่างนี้แต่พูดองค์พูดตามตรงตรงจนเกินไปจนโลกสมมุติเขายอมรับไม่ได้อันนี้อาจจะมีส่วนแต่พรองค์ทาถูกไหม ยะไม่ควรจะพูดว่าพระองค์ทำผิดพระองค์ทาถูกแต่ว่าคนที่คิดอย่างนั้นคือคิดผิดคิดผิดหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเลยพอพูดเป็นแนวทางให้ฟังอย่างนี้แล้วจะพูดให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจะด็จประทับแถบกรุงอุเญนีของพระเจ้าอุเทน ท่านพระพุทธองค์นั่งสมาธิตรวจ ด, ดูสัตวโลกสั ต, ตะวะโลกจนจวนจะสว่างไปเห็นสองตายายอายุเข้าวาัยชราเจ็ดสิบแปดสิบปีพระองค์เห็นว่าบุรุษสองคนเน่คนสองคนเนี่ จะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีเพราะว่าเป็นผู้มีสั่งสมบุญกุศลมามากต่อมากแล้วอันนี้ก็เข้าสู่วัยชราแล้วก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้ามาในอดีตชาติติดต่อกันเป็นถึงห้าร้อยชาติบางชาติบางครั้งเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ ล, ล้ำลึกถึงพระคุณที่ว่าทั้งสองตายายเนี่ย เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วคงจะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีแต่ไม่ถึงพระอรหันต์เป็นพระอนาคาแต่นั้นพระองค์ก็ไปโปลบพอเห็นในกลางคืนคือเข้ามาในข่ายคือพยานคือพระองค์นั่งสมาธิเข้ามาสองตายายนั้นเข้ามาในข่ายคือพยานพระองค์ก็รับรู้ว่าจะต้องไปโปรดสองตายายเนี่ยด้วยวิธีอย่างไร พระ อ, องค์ก็เดินไปอในโชวนั้นมุนตาออกไปข้างนอกอไปเดินป่าไปเดินเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ล่ะไปเดินตามอัธยาศัยท่นี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เดินเอไปให้พราหมณ์ผู้สูงอายุคนนั้นเห็นพราหมณ์คนนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ดีอกดีใจอย่างมากโอ้สวยงามจริงๆสมณะเนี่ย แล้วก็นึกถึงลูกสาวของตนเองเลยลูกสาวของตัวเองกําลังเป็นสาวสวยที่สุดในละแวกนั้นก็เห็นว่าโอ้ถ้าหากว่าได้บุรุษคนนี้ท่านผู้นี้เป็นสามีของเป็นลูกเขยของเราเป็นสามีของลูกสาวเราเนี่ยคงจ ะ, จะเจริญร่วงเรืองดูแล้ว สมส่วนปุถิสาลักษณะดีหมดทุกอย่างทีนี้พรามคนนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่นละอยากจะได้ลู ก, ลกเคยพุทธเจ้าพูดง่ายๆก็เลยบอกว่าส ม, มณะท่านจะไปไหนขอให้ท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะ เ, เดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาลูกมามาดูกับแม่บ้านมาหาท่านที่นี่ อันจะมอบลูกสาวให้พูดอย่างนั้นอ่ะพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าจะโปลดพราหมยอย่างไงเขาจึงจะได้รับมรับผลแต่นี่พราหมณ์ก็รีบไปไปถึงบอกแม่บ้านให้ลูกสาวแต่งตัวให้สวยงามเพื่อจะได้มาหาพระพุทธเจ้าเพืมาหาเพื่อจะได้มอบลูกสาวให้แก่พระพุทธเจ้าแต่งงานเพาเป็นลูก เป็นลูกเขยแต่พระองค์เหยียบแผ่นดินเอาไว้ให้เป็นรอยคือตรงนั้นแหะตรงที่พราหมณ์นัดพบเหยียบแผ่นดินเอาไว้คือให้เห็นรอยที่ทรายพอเหยียบเสร็จแล้วพระองค์ก็หายแสดงอิทธิฤทธิ์หายเงียบไปทอนนี้พราหมณีกับลูกสาวกับพราหมณ์ที่เป็นสามีก็เดินมามาตรงที่นัดพบก็ไม่เห็นพระพุธทธเจ้า ไม่รู้ว่าจะโคดมันเพื่ว่าขายไปไหนจ ม, มณะรูปงามรูปหล่อองค์เนี้ยก็หาเทั้งเลยก็ไม่เจอแต่ได้นางพรามมณีท่านก็เคยเป็นตระกูลของพราหมณ์เคยดูหัวเหงเคยดูปุริสารลักษณะเคยดูลักษณะรอยเท้ารองเอ่อรอยเท้าของสัตว์ของคนของบุคคลสําคัญนางพรามมณีเห็นโอ อันนี้รอยเท้านี้เป็นรอยเท้าที่ผู้พ้นจากกิเลสไม่มีรอยเท้านี้เป็นเป็นผู้ไม่มีราคะเสจะแลว้วไม่มีราคะคือความกำหนัดยินดีที่จะมาครองโลกและเป็นคู่หวผัวเมียกับใครนี่รอยเท้าอย่างนี้คือนางพรหมณีพูด กับพราหมณ์กันลูกจากนั้นพระองค์ก็แสดงตนให้ปรากฏเดินเข้ามาในถิ่นนั้นจากนั้นพราหมณ์ก็เสนอจะมอบลูกสาวให้ลูกสาวสวยบอกว่าจมเน ะ, ะเนี่ยเหมาะสมท่านกับลูกสาวของข้าพเจ้า เ, เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกันพรามณ์เขาก็แนะนําแต่พระพุทธองค์ท่านเห็นพราหมณ์ กับสองสามีภรรยาพระโตองค์ก็ตำหนิให้เขาพูดตรงเกินไปพูดถ้าเป็นภาษาบ้านเรานี่แหละตรงเนี้ละที่ว่าหลวงพ่อว่าพระโตองค์พูดถูกไม่ถูกแต่ว่าโลกสมมุติเขายอมรับไม่ได้พระองค์บอกว่าพราหมณ์เรานี่นะได้ปฏิบัติธรรมมาแต่รู้แจ้งเห็นจริงเราเห็นร่างกาย มาถุกคามแล้วเห็นร่างกายของผู้หญิงเห็นร่างกายอย่างเนี้ยไม่ว่าจะมือเราจะไปแตะเท้าเราก็ยังไม่อยากจะแตะเราขยักขยงถึงขนาดนั้นเออใค่คราวว่าพระองค์พูดตรงเรื่อเนี้ยร่างกายสังขารมันเป็นของอสุภะปฏิกูลแต่ขนาดมือเราก็ไม่อยากจะแตะเราจะไปเอาเออขนาดตีนของเราอยากไม่จะจะแตะแล้วจะไปเอามือไปแตะ ไปจับไปรูปไปคำได้อย่างไรพอพูดแต่นั้นท่านก็บรรยายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสองสามีภรรยาฟังรลลึกซึ้งได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีทั้งสองตายายแต่ลูกสาวนี่สิเทเน่งไ่ไข่าขว่าตัวเองก็แต่งตัวให้สวยงามที่สุดพระพุทธองค์สมณะโคดม ถึงจะไม่รักไม่ชอบเราแต่ก็ไม่ควรจะดูถูกไม่ถึงกระตีนแตะขนาดนั้นทำไมธรรมะโครมจึงพูดให้เราถึงขนาดนี้เจ็บใจอย่างแรงนะี่แหละนี่แหละธรรมะทำคำสอนอันเดียวกันแต่คนหนึ่งไปนิพพานจะไปนิพพานแต่คนหนึ่งลงอเวจีมหานรกแต่เทศกันเดียวกันคำพูดอันเดียวกัน เพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจในยุคสมัยนี้ถึงเราจะแนะนําดีขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าว่าผู้ที่ฟังนั้นจิตใจเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลวันอย่างค่ํทาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันก็เป็นอกุศลเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของเราเป็นอกุศลจิตใจของเราเขาไม่เป็นไปทางกุศลแต่สองสามีภรรยาพอฟังแล้วกับเห็นร่างกายของตัวเองจากนั้นก็จิตใจเขาปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมันเห็นอนิจังพกขังอนานตาจริงๆร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนจริงๆเป็นของอสุภะปฏิกูลจริงๆขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ลิ้นเอ๊ขี้อุจจาระในลำไส้ปัสสาวะเนื้อหนังมังสาล้วแลวจะเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งนั้นจะว่าเป็นของจีรังถาวรสวยงามได้อย่างไรเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส จากท่านพราหมณ์สองคนได้สําเร็จเป็นพระอนาคาหมีอย่างทีว่าจากยันพราหมณ์ก็ลากราบล า, ร พ, าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะเด็ดกลับที่พักเท่านั้นแหละานางคันธิยาสามาคันธิยาเนี่ยเอาเถอะข้าได้เป็นใหญ่เมื่ อ, อไหร่เมื่อนั่นแหละข้าจะจัดการกับสมณะรูปงามองค์นี่ทําไมดูถูกข้าถึงขนาดนี้ จากนั้นพรามณ์ก็ได้มอบสามีซองสามีภรรยาก็เลยมอบลูกสาวตัวเองให้แก่อาคือน้องพ่อเออเอาอินางนี่น่ะงคงจะเหมาะสมกับพระเจ้าแผ่นดินเพราะร่างกายเขาสวยงดงามและก็เฉลียวฉลาดอีกต่างหากไปไปมอบให้พระเจ้าอุเทนกรุทเชนี จากนั้นอาเนี่ยก็เลยไปมอบพระเจ้าเทนเห็นก็ติดอกติดใจชอบก็เลยยกจ้องให้เป็นอากามเหสีคนที่สองนางสาวมาวดีน่ะคนที่หนึ่งอ่าที่เป็นลูกเศรษฐีที่เป็นลูกโคสกะเศรษฐีน่ะเแต่นี่มานางคนนี้เป็นคนที่สองแต่พอตัวเองได้ เป็นอักรรมเหสีเท่านั้นมีอำนาจขึ้นมาเท่านั้นแหล ะ, ะแหวงวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้า ว, วางแผนพระพุทธเจ้าอะไรกันอะว่าจ้างคนในกรุงอุตเชนีเห็นพระพุทธเจ้ามาบินทบาทว่าจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าคำไหนที่ว่าหยาบคายที่สุดคำไหนที่ว่าเจ็บที่สุดคำไหนที่ว่าแ อ, อที่ไม่ดีที่สุด ให้สู้เจ้าด่าแล้วจะให้รางวันแก่เขาน่าข่าวนั้นแะ่ะคนทลายออกมาด่าพระพุทธเจ้าทุกหนทุกแห่งเพราะว่าเมียของพระเจ้าเป็นดินเป็นผู้ให้ด่าแต่พระเจ้าเป็นดินก็าไม่รู้พระเจ้าอุเทนแน่แต่ว่านางคนนี้มันเจ็บใจความเจ็บใจของนางนี่ไม่มีใครรู้ว่าเจ็บใจเรื่องอะไรแต่นางรู้แก่ใจว่าข้าพระเจ้าเจ็บใจเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้า ตรเทศวันนั้นอ่ะเป็นเครื่องที่เจ็บใจที่สุดยอมรับไม่ได้แต่ถ้ายอมรับไม่ได้เฉยๆมันก็ทําเหนาแต่นี่มันผูกพยาบาทอาคาตจองเวรด้วยสิยจากนั้นก็พระพุทธเจา้าไปบิณนดาบกับพระสงฆ์ห้าร้อยมีพระอนุนเป็นปัจฉาสมณะคือเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเขาก็ด่าสมณะหัวโลนสมณะควายสมณะหมูหมาเขาขวาก เก็บเก็บจับแสบพระอนุ์ก็บอกโอ้ขอ พ, พระพุทธองค์ออกจากเมืองนี้ไปโดยเถินพระเจ้าค่ะทนไม่ไหวแล้วทำไมเขาด่าถึงขนาดนี้จะไปไหนล่ะอานอนท์โอ้ยก็ไปเมืองที่เขาไม่ดานะ่านเลยสาวัถีกลาจะคือสาเกตโกสัมพีไปบินทบาทมาแล้วไม่เห็นเขาด่าอย่างนี้แต่อันนี้โอ้รับไม่ได้เอออย่าอนอนลอาไปไเถอะถ้า ไปเมืองหน้าเขาด่าเมืองหน้าแล้วท่านจะทํำยังไงไปเมืองหน้าอีกเขาา้าได้ท่านจะทํำยังไงเราเขาด่าที่ไหนท่านต้องอยู่ที่นั่นต้องแก้ไขสถานการณ์ให้จบลงที่นั่นจึงจะไปถ้าว่าไปเขาด่าแล้วก็ไปเรื่อยแล้วไปหน้าไปหน้าเรื่อยจนไม่มีที่จะไปอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของตถาคตเอาเถอะเมื่อเขาด่าไปแล้วเมื่อเขาด่าแล้วอีกเจวันจากนี้ไป เรื่องทั้งหลายก็จะสงบเขาจะทําอะไรกับพระพุทธเจ้าไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันทุกอย่างจะสงบจากนั้นมาพระอานน์กับพระพุทธเจ้าก็อยู่นั่นแนหะเขาก็ด่าดาาอยู่พอถึงเจ็ดวันก็เรื่องก็หายเงียบไปจบแต่พอจบตอนนี้นก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นแต่ ย, ยังผูกอาคาตพยาบาทใครเป็นคนให้การสนับสนุนสัมมนาโคลม กับพระสงฆ์เหล่านี้นางสามาวดีพาบริวารไปทําบุญทําทานอุปถัมภ์ะถาภพระโตรจาจเอาเถอะข้าจะจัดการกับยายคนนี้แหละแห้อากรรมเหสีใหญ่จากนั้นก็เขาก็หาเรื่องหาเรามากมายในถับหลวงพ่อจะบรรยายในคืนนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องผูกอาคาตพยาบาทจองเวร ของเขาทั้งหมด <P en it> เพราะมันมีเล่ห์เลียนเล่ห์เหลี่ยมมากมายหลายอย่างมีทั้งปล่อยไก่มีทั้งปล่อยงูมีทั้ ง, อ ง, งเอาน้ำมันมาเผาผลที่สุดกันได้เผานางจริงๆพร้อมกับบริวารห้าร้อยตายในตึกปราสศาทหลังนั้นเพราะฝีมือของนี่แหละสามาคันติยา เพราะความอิจฉาเพราะความไม่พอใจจุดนั้นใครนับถือผู้เผยเจ้าไปว่าทําร้ายทําลายหมดฆ่าหมดแต่ผลที่สุดเขาก็สืบสอบได้ใครเป็นคนทำร้ายทําลายไปเจ้าอุเทนก็สอบได้จริงๆก็มาจับนางสามาคณิยากับบริวารทั้งหลายทั้งปวงที่วางแผนสมหัวกันเนี่ยจับไปแล้วก็ไปมัดฝังดิน เพียงเอวจากนั้นเอาฟาเอาฟางวางวางแล้วก็เผาเลยเผาทั้งเป็นนะจากนั้นเอาไถเหล็กไถอีกอาขาดเป็นท่อนเป็นกระจุยกระจายไปในบทในสนามนั้นนี่แหละกรรมคือการกระทำไม่ไปไหนมันมาหาตัวผู้กระทำนั่นเองเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำซ เ, เลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้ว มันจะย้อนจะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่อง พ, อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่กรุงอุตเชนีของพระเจ้าอุเทนเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองสาเหตุก็คือมาจากพระโต้ง ค, คือพราหมณ์สองสามีภรรยาที่จะยกลูกสาวให้เป็นแแอ เมี่ะพูด่ายๆบาตรบริจาบิการเป็นคู่ครองแต่พระองค์ทันหมดกิเลสแล้วราคะโทสะโมหะพระองค์ไม่มีแล้วจะไปเป็นคู่ครองกับใครได้ต้องพูดตามความเป็นจริงแต่พูดตามความเป็นจริงเกินไปนางสามาคันธยาเนี่ยรับไม่ได้จนผูกอาคาตพยาบาท แต่ผู้ที่ฟังได้ก็ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีแต่พราหมณ์คนนี้สามีภรรยาครู่นี้ตะก่อนก็เคยเป็นพ่อแม่ของพระพุทธองค์สะมัยเป็นพระโพธิสัตว์จะหมายเมื่อสร้างบารมีเนี่พอเห็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นะรักเพราหอะไรเพราะกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจถ้าหาว่าคนมาอยู่ด้วยกัน พอพูดคือมาแล้วก็พอใจกันอันนั้นแปลว่าคนกลุ่มเดียวกันเคยสั่งสมบัรมีมาด้วยกันเห็นกันและถูกชะตาลาสีกันแต่ใครก็ตามแต่ถ้าเห็นเข้าไปแล้วคว้างหูขว้างตานะ่อให้พวกเรารู้ได้เลยว่าอันนั้นคือเคยเป็นคู่อริคู่จัตรูกันมาก่อนพวกเราให้รู้เพราะนั้นก็ต้องจะทํำยังไงจะไม่ให้ทํำยังไงต้องระมัดระวัง ต้องยอมรับทุกสถานการณ์เราผู้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องรับรู้รับทราบทั้งหมดทั้งสองเงื่อนทั้งโลกธรรมฝ่ายดีและโลกธรรมฝ่ายเสียฝ่ายเสียก็คือฝ่ายที่ไม่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเสื่อมราบเสื่ยยศเสื่อมยศเนินถาทุกข์เราต้องรู้อีกเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่จะรู้แต่ มีลาบมียศสรรเสริญสุข เ, เราจะมองจุดเดียวนั้นไม่ได้เราต้องมองจุดนี้ด้วยและจะทำใจยังไงด้วยอีกต่างหากเพราะนั้นบทเรียนเหล่านี้ก็มอบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลวงพ่อด้วยทั้งทุกคนด้วยจะต้องมีจะต้องเจอในโลกเมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นไม่มาเกิดตีที่สุดจะทำยังไงจะทาให้จิตใจของเราหลุดพ้น จากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดไม่มีทางอื่นพราะพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาเป็นตัวอย่างคือวันเดือนหกเผ่นนั่งสมาธินั่นแหละที่จะไมมาเวียนไหวตายเกิดหนทางแห่งการไม่ไ ม, มาเวียนไห้ตายเกิดคือนั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่ง ท่านรู้ได้อันดีปุเพในวาสานุจติยานอะลึกชาติผลหลังได้เพราะเหตุใดที่ท่านเข้าฌานเรียว่าเข้านั่งสมาธิจวนสว่างที่พระพุทธองค์เห็นได้ว่าพราหมณ์สองตายายนี้เข้ามาในข่ายคือพยานของพระองค์เข้ามาในจอเลดา้าของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมาก่อนพระองค์รู้ได้ว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของพระองค์มา เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเคยได้เลี้ยงดูพระองค์มาคราวนี้เป็นท่านจะได้สำเร็จเป็นพระนาคามีแล้วเข้ามาในข่ายคือพยานก็คือปุบเพเนิวาสานุจติยานนั่นเองจากนั้นก็จุตูปะปายทยานการจุดติของสัพสัตการเวียนว่ายตายเกิดของสัพสัตทั้งหลายต้องระวัง มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่มาเกิดด้วยอะไรมาเกิดเกิดด้วยบุญกุศลพามาเกิดใช่ไหมหรือบาปอกุศลพามาเกิดถ้าบอพวกเราเห็นคนมีความสุขร่างกายสมบูรณ์มีเงินคำทรัพสมบัติการเป็นอยู่ไม่เดือดร้อนครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานเข้าใจกันได้ดีทุกอย่างราบรื่นอันนั้นแปลว่าบุญพามาเกิดแต่พวกเราเห็น เหูหนวกตาบอดบ้าใบาแล้วยังทุกข์ยากลำบากหาข้าวจะกินก็ไม่มีอีกต่างหากอันนั้นแปลว่าบาป พ, พามาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำไมจะมาเกิดอย่างนี้เพราะเขาทำกรรมในอดีตชาติไว้ไม่ดีอาจจะปล้นข้าชกขโมยอย่างนําททำเหมือนนางสามาคันธยานี่ก็ได้พอมาเกิดจะใช้กรรมมาตลอด เพออราะอหละเพราะตัวเองทําไว้ในอดีตไม่ดีมาเกิดพบต่อไปก็นั่นแหละกรรมตัว น, นี้ก็จะให้ผลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมเหมือนกับเราไปติดคุกนะ่ะเอี่ยตัดสินกี่ปีสิบยี่สิบปีห้าปีกี่ปีเราติดคุกไปติดคุกไปมันก็หมดหมดไปเ พ, ออไเพราะอะไรพอเราใช้กรรมในคุก มันก็หมดอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราทำกรรมชั่วเมื่อกรรมชั่วให้ผลตลอดไปมันผลที่สุดมันก็หมดอีกเหมือนกันเว้นเสียจากกรรมนั้นกรรมหนักอานันตรีกรรมห ร, รมือกรรมหนักจะให้ผลยาวเหยียดทีเดียวใกลฆ่าวัดเโทษประหารหรือว่าโทษขังคุกขังคุกตลอดชีวิตอย่างนี้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้ากว่าจะ ผลโทษได้บางเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ยังขานประหารชีวิตอีกเกิดมาพบใน้าประหารชีวิตอีกอจนกว่าโทษนั่นจะเบาบางลงไปอันนี้แปลว่าทากรรมหนักในอดีตชาติคพรนั่นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านว่ายอย่าทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีถ้าทำกรรมดีแล้วกรรมดีน่นจะตามสนองพวกเรา ไปในภพภูมิใดเกิดพบหน้าชาตินาก็ร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่ได้พูดให้ฟังเกิดมาสถานที่แห่งใดสามีภรรยาลูกหลานสิ่งแวดล้อมก็ดีไปหมดเพราะเหตุหอะไรเพราะทำกรรมดีเอาไว้แต่เราทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนั่นแหละจะตามสนองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องให้ตรวจตราดูตนเองไว้อยู่เสมอขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทํากรรมอันไหนกรรมดีและกรรมชั่ว แต่พอรู้เราจะเป็นกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดให้กบกำหนดเอาไว้ทําใจให้รู้เอาไว้จากนั้นก็ทำแต่กรรมดีแต่เมื่อทำกรรมดีละกรรมดีจะให้ผลจากนั้นเราก็พิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ดูเป็นวาระสุดท้ายแล้วชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วท่านก็กำดูพิจารณา ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสั้งข้าราอาวิชชาปัจจะยาสั้งข้าราอาวิชาาาาาวชาเป็นบอกเกิดให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณจนถึงพบชาติชลามรณะแต่เนี่เราจะย้อนถามมีคนถามพระพุทธเจ้าวะวิญญาณเกิดมาจากไหน พรองก็เกิดมาจากความโง่เกิดมาจากตัวไม่รู้นั่นแหละไม่เกินกว่านั้นไม่รู้จะทำทำไมจึงไม่รู้เพราะมันไม่รู้เพราะมันโง่เพราะมันเป็นอวิชชาจบเพียงแค่นั้นไม่เกินกว่านั้นเพราะนั้นึมาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรเราจะชำระใจอย่างไรจรึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าสู่แดนอมตะธาตุอมตะธรมรมเข้าสู่แดนนิพพาน พระพุทธองค์วางแผนาวาสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้มีสมาธิให้มีศีลสมาธิปัญญาให้มีมรรคแปดเป็นหนทางพาพวกเราเดินไปสู่มรรคสู่ผลจนถึงที่สุดชำระใจของตนเองให้ชำระกิเลสออกจากใจของตนเองกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของตนเองแล้วนั่นละ่ะใจบริสุทธ ใจไม่เครื่องไม่มีเครื่องพันธนาการจิตใจเป็นอิสระจิตใจเป็นอมตะธาตุอตมตะธรรมจิตใจออกจากเครื่องดึงดูดของกิเลสเข้าสู่นิพพานนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้หาที่ไหนหาที่ใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมพระหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ให้บำเพ็ญ อย่าไปวิตกกังวลเรื่องต่างๆของโลกอย่างที่หลวงพ่อได้ยกอุปมาอุปไมยให้ฟังจะให้โลกทั้งโลกเชิดชูบูชาเห็นด้วยกับเราทุกคนเป็นไปไม่ได้โลกไปนี้อย่างที่ว่านให้คู่อริคู่จัตรูในอดีตชาติของเราก็มีอย่างพวกเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้อย่างนี้หรือเราไป กันไปแกล้งเขาไว้อย่างนี้่หรือเราไปหาโทษใส่เขาเอาไว้อย่างนี้สู้กันเอาไว้ฆ่ากันห้าฟันรันแทงกันเอาไว้เป็นพักเป็นพวกกันอย่างนี้อยู่ในวัฏสงสาร ม, มันมีมากต่อมากมันไม่ใช่จะราบรื่นทุกอย่างมีทางเดียวเมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเยาเราอย่าไปก่อกรรมทําเข็ญเราต้องให้อภัยอยู่ในจิตในใจของเรา เวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกกธาต์ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอยากครับอย่างที่ข้าอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าจะไม่ขอจองเวรกับใครๆทั้งหมดทุกวิญญาณทั่วใจโลกกระธาตข้าพเจ้าจะไม่ขอจองเวร จะไม่ผูกเวรกับใครๆกับดวงวิญญาณดวงใดทั้งหมดถ้าใครจะผูกอันนั้นก็นเราก็ช่วยไม่ได้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะผูกกับเราแต่เราเนี่เป็นผู้ถอยอย่างเดียวฟูดเฟิร์กอย่างเดียวงั้นแอมจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารโดยด่วนต้องคิดอย่างนั้นไว้ในใจถ้าใครพยายามคิดอย่างนั้นไวแล้วเวรเวรภยัยเวรภัยใหม่จะไม่มีแต่เวรภัยเก่านั้น มันหนีไม่พ้นอย่างพระโมกขลานถึงท่านจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานแล้วก็ตามแต่กรรมเก่าที่ท่านได้กระทําไว้นั้นอมันจะต้องจองล่างจองผ่านท่านท่านก็ต้องรับกรรมของท่านหนีมัไม่พ้นถึงจะมีอภินิหารแต่ก็ไม่เหนือกรรมกรรมในเหนืออภินิหารถ้ า, าว่าอภินณหา ร, า ร, ารมีจริงพระโมกคลาคงไม่ถูกฆ่าเพราะเหตุอะไร เพราะอภินิหารเหนือกรรมแต่อันนี้ไม่ใช่กรรมเหนืออภินิหารเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นข้อสังเกตให้พวกเราสารต่อหรือนําไปคิดพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้พูดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี้มีความเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ถึงยังไงก็ให้ฟังไว้ ให้ตั้งความเชื่อเอาไว้บ้างาไม่ใช่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้เชื่อทั้งหมดให้ฟังเพื่อการศึกษาจริงไหมทามันจริงก็ถูกต้องยอมรับข้าพเจ้าต้องทาอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทาใจอย่างนี้เพราะรู้แล้วว่าโลกไปนี้ต้องเป็นอย่างนี้จะทายังไงพวกเราจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเร็วที่สุดจะทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ การพูดดและกา ร, รกล่าวสัมโภทธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการกล่าวเพียงเท่านี้